เป้าหมายของการเจริญสติมาเพื่อจะมาดูตัวเองเนาะข้อนี้ก็ข้อแบบสบายสบายถ้าปกติอาตมาก็เป็นคนที่สบายอยู่แล้วง่ายๆแต่ก็คงจะทำตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าการภาวนานจริงๆถ้าเราเข้าใจความรู้สึกความเข้าใจการบางใจกันมันต้องการวางใจที่เข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าวางใจไม่ถูกพวกในการภาวนานี่มันจะไปได้ช้ามากเพราะมีอุปสรรคเยอะมากมายเพราะว่าการอุปสรรคของการเจริญสติเนี่ยพวกเราทุกคนมีศรัทธาในการทำมีศรัทธาถึงได้เข้ามาในการภาวนาเพื่อจะเป้าหมายจริงๆของพวกเราเนี่ยบางคนก็คิดว่าอจะเป็นนิพพานคาว่านิพพาน บาคนก็บอกว่า อ, อ, อยากเป็นถ้ามีเป้าหมายจริงคำว่านิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายของพวกเราจะเดินถึงนั่นแหละแต่ว่าการที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจในการเส้นทางที่เดินวิธีการที่จะเข้าถึงพระนิพพานมันคืออะไรอย่างไสงสายลมเขเทียนเราก็คือให้การเคลื่อนไป เพื่อจะนำจิตเพื่อจะเข้าฝึ ก, กจิตเพื่อจะเข้าไปสู่สภาวะของพระนิพพานนั้นต้ <c oughs> องอาศัยการฝึกเพื่อจะทําจิตทำไมต้องฝึกเพราะว่าใจของเราเองมันไม่เคยได้อยู่มันเคยได้ฝึกมันมีไปตามตามอารมณ์ตามตามบกโลกอยู่ถ้ามีศรัทธาเข้ามาเพื่อจะมามาฝึกใจให้มันอยู่กับกาย เป้าหมายของการอย่ินดีที่มันพ่านก็คือหมดความโกรธหมดความโลภหมดความหลงนั่นคือเป้าหมายของเราแต่ว่าคํานไม่ที่ผ่านคืออะไรก็คือความว่างแต่เราต้องเข้าใจว่าเราต้องเดินจิตเข้าสู่ความว่างนี่คือเป้าหมายว่างจากอะไรความโกรธความโลภความหลงที่ครอบงำในใจของเราทุกวันเนี้ย นั่นคือเราไม่ต้องไปถึงว่าคาว่านิพานอะไรคือนิพานเราก็ไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าความว่างแต่เราจะเดินถึงเป้าหมายนี้ได้อย่างไรมันก็ตามอาตมาเองก็คงมีประสบการณ์ในการภาวนาแต่ว่ายังไม่ถึงนิพาน น, นนะแต่พ่าจะพยายามเดินเข้าไปสู่เป้าหมายรู้เป้าหมายของตัวเองว่าคือความว่างเปล่าแต่เราจะมาทำเพื่อไม่เอาอะไรไม่เป็นอะไร ไม่มีอะไร น, นะนั่นคือเป้าหมายของพวกเราที่จะมาเดินแต่วิธีการที่จะเดินเข้าถึงจุดนี้ได้นะเราใช้วิธีการแนวโลงท่อพ่อเทียนโลงพ่อเทียนท่านให้วางกายวางกายให้เป็น ก, นกลางๆแล้วสบายๆเพื่อจะเข้าถึงท่านเลยให้กายเคลื่อนไหว ใ, หใจรู้โลงพ่อเทียนที่ท่าน ในสายงานหลวงพ่อมหาทิเลกหรือว่าทุกๆอง ท, ที่ทุกรูปที่สายงานของเราหรือว่าเพื่อจะวิธีการแบบนี้จะเดินเข้าถึงจุดนี้ได้มันก็ไม่ใช่ว่าจะจะมีแต่หขวงพ่อถ่ายหลง พ, ลงพเทียนหนึ่งเดียวทำพุทโธ ท, ทำพุทโธย่างหรอหยียบหรอก็มีทางที่จะเข้าถึงได้ทุกรูป ท, ทางแต่พวกเราหรืออตาตมานสนัดทางนี้เไยเอานิมิตของหลวงพ่อเทียนในการเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียน มาทำแล้วมันมันทให้เรามันเมาบางจากความโกรธได้แนละ้วความโลกได้บ้างเบาบางลงจากความโกรธความพอใจไม่พอใจมันทำให้เราสบายขึ้นจากความโกรธเยอะๆมันลดลงเราเห็นผลว่าเออพิธีการแผลงพุเทียนแนวทางขลงพ่เทียนที่แนะนาเนี่ยเราจิตของเราคงจะมาจับพอแบบนี้ก็เลยทำให้ เรามาจเจริญสติแบบนี้แนวหลงเข้เทียนได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีแต่สายหลงเข้เทียนอย่างเดียวที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ใช่มันมีมากมายแต่ว่าเราจะทํำยังไงนะเด็กแต่ละสายก็มีจุดเด่นของตัวเองทุกๆสายนั่นแหละแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือพระนิพพานเหมือนกันคือความสงบกายสงบใจแต่การเดินทางนี่อาจจะไม่เหมือนกันวิธีการแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะว่าเรามาทําตาม แนวทางหลงพ่อเทียนคือประสบการณ์ของหลวอเทียนที่ท่านเดินทางเส้นนี้แล้วก็ท่านเข้าไปประสบความสําเร็จแล้วท่านก็มาแนะนําเราแล้วเราเป็นผู้ทําตามแนวหลวงพ่อเทียนเราก็เลยตั้งใจว่าเออการมาจเจริญสติแบบนี้คือความตั้งใจทําต่อเนื่อง ส, สบายๆแล้วเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเบื้องต้น ความเข้าใจถูกต้องคําว่ารู้สึกตัวนะพอมีรู้สึกตัวถูกปุ๊บี่เรามีศรัทธามาอยู่แล้วแต่ว่ามันอาตมาเห็นปัญหามันก็คือคือความรู้สึกตัวเนี่ยทุกคนก็พูดว่าความรู้สึกตัวได้บางคนจุดจับจุดไม่เหมือนกันบางคนที่จะเห็นความรู้สึกตัวจะเข้าใจคําว่ารู้สึกตัว อยู่ในกายตั้งหัวจุดเท้าเนี่ยมันมีความรู้สึกตัวหมดมือที่เคลื่อนไหวบ้างกายเคลื่อนไหวบ้างอะไรบ้างมันก็มีความรู้สึกแต่เราอยากให้อย่างเช่นอาจารยมีประสบการณ์นะนะก็คือมาที่นี่ก็มีมาแชร์ประสบการณ์ในการจเจริญสติไม่ใช่ว่าเป็นผูู้บาอาจารย์นะแต่จะเป็นเพื่อนที่เดินก่อนที่เดินก่อนแล้วก็เคยมีประสบการณ์พอมีประสบการณ์แล้วพวกว ก, วก็จะเห็นประสบการณ์ของจิต ส่วนมากจะเป็นประสบการณ์แต่จะเรื่องรูปกโตข้างนอกมากๆอาตมาเองก็คงไม่ได้เก่งทางนั้นแต่อาศัยรูป ก, การภาวนามีศรัทธาแล้วทําให้มากแต่จะทําให้มากนั้นต้องเข้าใจถูกอาตมาก็เป็นบุญของอาตมาอาตมาเชือ่อว่ามันเป็นบุญของอาตมาเองว่าพออาตมามาฟังทแค่ไม่กี่คําเองอาตมาก็ทํา ก็ทำตามเลยทําแบบไหนเพราะว่าเราไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เรามีศรัทธาเราอยากปฏิบัติแบบกได้วยการศรัทธาย่างการกระทําอย่างเดียวครมรู้อะไรเราไม่มีรู้แต่ว่าอยากปฏิบัติท่านบอกว่าพลิกมือขึ้นให้รู้สึกคว้ามมือลงให้รู้สึกแค่คําว่ารู้สึกตัวเนี่ยอาจรมาเข้าใจในแค่นี้หลวงพ่อจะบอกว่าพลิกมือขึ้นรู้สึกคว้มมือลงรู้สึก เคลื่อนไหวรู้สึกแล้วก็เมือเข้ามา อ, ออกก็รู้สึกอย่างเงี้ยแต่มาตอนนั้นที่อาตมาเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยที่อาตมาเข้าไปอาตมายังไม่ได้รู้เรื่องหลวงพ่อเสียนเลยนะแต่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งไปบอกไปเท่ hey, ท่านก็พูดประมาณห้านาที hey, หลวงพ่อองค์นี้ทําไมท่านพูดดีมันจินใจก็เลยไปกราบท่านท่านก็เลยบอกว่า ผมไปเจริญสติหลวงพ่อเทียนท่านก็ตอนนั้นท่านก็ยัง14จังหวะท่านไม่เป็นนะท่านมาอยู่กับหลวงพ่อเทียนแต่ว่าเมื่อก่อนท่านนั่งนั่งพุทโพนั่งท่านจินเจท่านจินอะไรเงี้ยตั้งหลายปีไปท่านไปทุกที่แต่ท่านมาอยู่จำพรรษาอยู่เห็นว่าผมว่าแพ้เสียงเทียนแล้วกลับไปแต่นั้นท่านเป็นพระผู้ใหญ่หน่อยอายุหน่อยแล้วก็ท่านคมไม่ยกมือสอาจังหวะท่านอาจจะพิกมือนั่ง ในรูปแบบท่านมคงมายกแต่ท่านสิบสี่จังหวะท่านไม่เป็นท่านท่านมาท่านได้มาแพร่นี่แหละท่านไม่ได้ในสมองข้อเทียนแต่ว่าท่านได้จำภาษาหรือว่าอาตมาตอนนั้นอาจจะจำไม่ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ตอนที่ท่านบอกว่ามาอยู่ที่แพร่แต่ท่านเจริญสติแบบข้อเทียนท่านเกรบแนะนําอาตมาแบบพลิกมือขึ้นให้รู้สึกแค่นี้คว่ำมือลงให้รู้สึกพลิกมือขึ้นให้รู้สึก ควมลงรู้สึกพิกรู้ความรู้วิธีการ14จังหวัดไม่เป็นไม่ได้แนะนําเพราะเวลามันอาตมาไปคุยท่านก็แนะนําให้แค่นี้อาตมาจําได้แค่ว่าพิกมือขึ้นรู้สึกความมือลงรู้สึกแต่อาตมา ก, ก็เข้าใจว่าพิกแล้วรู้อาศัยกายกระทําของกายเนี่ยกายทำปั๊บเนี่ยมันรู้ตามสิ่งที่มันทํา แต่ไม่ใช่ว่าต้องสั่งใจใจสั่งว่าต้องพิกพุม่มายจะไม่ได้สั่งแต่เข้าใจมันคนที่ไม่มีไอภูมอะไรเลยแบบสดๆแบบเข้ามาตรงๆไปเลยคือขาท่านบอกว่าพิกมือกึ้นรู้สึกพ่อเมื่อลงรู้สึกแต่เพราะมันทุกข์นั่นแหละก็เลยคิดว่าทางไหนที่มันออกทุกข์ได้ก็เลยทำํำเ ช, ชื่อพิกมือขึ้นรู้สึกพ่อเมื่อลงรู้สึก พิกมือรู้สึกคมลงรู้นีน่คือแค่เราไปรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดกายทําแล้วใจรู้พอทำเรื่อยๆปุ๊บนี่จากที่มันมีความคิดปุ่งสร้างกว่าที่จะมาที่ที่ที่มาแบพิกเมือขึ้นรู้สึกทําไมพูดเรื่องเดิมๆก่อนมันมันทํำไม่มันถึงได้มาวัดก็เพราะทุกเพราะครอบกลัวเพราะอะไรอยู่ไม่ได้ เลิกไลาจากครอบครัวก็เข้ามาไม่มีทางออกจะไปกินเหล้าจะไปดูดบุหรี่จะไปทําอย่างอื่นก็ทําไม่เป็นเพราะเราไม่เคยก็มีทางเดียวก็คิดว่าจะพ้นทุกข์ได้ก็คือเชื่อมั่นมาตามก็เคยมาภาวนาแต่ตอนนั้นหาวิธีการเตืินสติหาภาวนาที่ทําไหนมีภาวนาไปวัดก็ครูบาอาจารย์ก็ไม่ค่อยได้สอนมีวันนั้นหลวงพ่อท่านไปเยี่ยมบ้านท่านประพูดให้ฟัง ประมาณหน้าอาทิตย์ูกไก่ก็ไปคุยกับท่านท่านก็แนะนำตรงนี้มาจากความคิดฟุ้งสัน้นลำคาญแบบอึดอัดติดอารมณ์ทุกเรื่องเรื่องครอบครัวมาใหม่ๆเลิกจากแฟนจากครอบครัวมาใหม่ๆก็ไม่ไม่รู้จะทำอะไรมันไม่มีขั บ, บ้าบานก็ต้องคิดถึงเขาอยู่ตลอดฟุ้งก็ไม่มีไงทำก็มีแต่คิดนอนก็ไม่หลับพอมาพลิกมือขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าพลิกมือขึ้นรู้สึก พกมือลงรู้สึกแค่นี้แต่กับหัวทำไม่ถึงชงั่วโมงเดียวหัวมันโปรโมันโล่งมันเบามันสบายตอนนั้นแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันคืออะไรแต่เราก็ไม่ไม่ได้รู้อะไรมากเราไม่มีข้อมูลอะไรมากเลยเราแค่พลิกมือขึ้นรู้สึกแต่ครั้งแรกที่เราเข้าใจคาว่าตรงนี้ผู้เเข้าใจว่าพลิกแล้วรู้ทาแล้วรู้ กายเป็นคนทมใจเป็นคนรู้เราจับตรงนี้เลยทำกลับไปบ้านไปพลิกมือขึ้นนั่งตอนเย็นทำอาภาเสร็จก็มันไม่มีอะไรทำเพราะมันพุ้งกว่ามันไม่ได้ทำแบบนี้มันก็นอนไม่หลับก็เลยมาพลิกมือขึ้นตามที่ท่านบอกแค่ชั่วโมงเดียวอยู่หัวโล่งโปรเบาสบายเลยโอ้ โ, อ โ, อโอนี่เนาะเราเข้าใจคาว่ารู้สึกตัวแบบนี้รู้สึกง่า ย, ายสบาย พิกเรารู้ความเรารู้เพราะว่า14จังหวะอาตมายังไม่เคยข้อมูลเดิมาไม่เยอะอาตมาก็แค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกพออาตมาทําตรงนี้ปุ๊บ15วันใจของเราเนี่ยโปรเบาสบายตั้งแต่วันนั้นมามันไม่คิดเลยมีแต่โปร่งและเบาสบายทําไปจนกว่าได้มาในสายหลวงพ่อเทียนพอมาสายหลวงพ่อเทียนปุ๊บนี่เข้ามาในสายงานนะเข้ามาในสายงานวันที่20สิบ ของมกราปีหกสิบหสี่เที่ยงจำได้มาเจอหลวงพ่อ ท, ที่อนุทสายงานแบบยกมือสร้างจังหวะแบบนี้ตอนแรกก็ยกมไม่เป็นแต่สิบสีจังหวะเป็นปุ๊บพอสิบสี่จังะเป็นปุ๊บเนี่ยอรรมาก็มายกตามดูความรู้สึกที่มันกระทบแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งจากเปลี่ยนจากผิดแล้รู้มากระทบพอมือสัมผัสปุ๊บรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึ ก, สกตา่าง พอสิริจังหวาเสร็จปุบเนี่อ๋ออาตรมาเข้าใจเขาว่ากายสัมผัสใจรู้ที่หลังแล้วท่านเข้ามาในสายงานท่านก็เทศให้ฟังทีใ่ให้ฟังก็เลยเข้าใจว่าเออสรยลมก็เทียนต้องการให้กายกับใจมันอยู่ร่วมกันเพราะว่าที่เราทุกๆุวันนี้เพราะใจของเราเนี่ยมันยากที่มันจะอยู่กับกายถึงกายมันจะเป็นเดินร่างของจิตก็จริงของใจก็จริงแต่มันไม่ได้อยู่ในกาย ก็เลยมาเข้าใจโอ้หลงงพ่อเทียนท่านต้องการตร่อร่มให้จิตมันอยู่กับกายทําไม ม, ามันจะมัพอพอมาจเจริญสติกบนนี้พวกมันเข้าใจว่าที่ใจมันทุกข์อ่ะเพราะเราคิดเราไม่อยู่กับกายเลยไม่ีวิธีการที่จะนําจิตให้มาอยู่กับกายได้จิตมันไม่มีตัวตวนที่จะจับได้ถูกต้องได้แต่ต้องอาศัยการกระทํา m ของ ก, กายเพื่อกระตุ้นให้จิตมันกลับมาอยู่กับกาย พอมาเข้าใจอย่างงี้ปุ๊บอ๋อก็เลยมามาทําเพื่อจะพอมันจิตมันอยู่กับกายอยู่ปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนอยู่กับการสัมผัสรู้สัมผัสรู้สัมผัสรู้เนาะพอสัมผัสรู้ปุ๊บเนี่ยมันก็โปรง่งแล้วเบาสบายจิตมันไม่ออกจากกายพอมันไม่ได้ออกจากกายปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีภาวะใจของเราก็จะมีความเบากายเบาใจขึ้นมันก็สนุกในการภาวนาพอภาวนาปุ๊บไปเหนสายงานมันก็ไม่มี เวลาเดินเด้งกลมก็เหมือนกันอนามาก็เดินตามสไตล์ของอนามาธรรมชาติเพราะเราเป็นคนดิบมาก่อนไปเข้าไปเขฟังตั้าใจแบบนี้ก็ทําตามที่เราเข้าใจเพราะช่วงที่เราทําน่ะมันไม่มีกูบาาจย์แนทตอนสิบห้าวันที่เราเดินก่อนน่นไม่มีกูบายจาันแนทท่านก็แนะนําแต่ว่าพลิกมือขึ้นรู้สึกก่อนตั้งแต่วันที่วันที่สิบห้าว่าวันที่ห้าถมกราอนามาไปทําพลิกมือขึ้นเพราะมือลงเนี่ย ทีแรกก็คิดว่าจะลองทําดยวโดยเฉยสักห้าวันน่ยมันเห็นความโปร่งเบสบายไปทําอยู่ที่บ้านพอนั่งพกไปพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกมือซ้ายบ้างขว้าลงขวาลงซ้ายลงขวาลงมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนกับจังหวัดสิบสีจังหวัดนี่แหละแต่ว่าเปลี่ยนมือพลิกมือขึ้นรู้สึกพอมือซ้ายเสร็จก็มือขวามือขวาเสร็จก็มือซ้ายพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแบบเนี้ทำสิบห้าวัน เห็นความต่างของใจเราไม่ทุกเราไม่คิดเราเบากายเบาใจก็ เ, เลยได้เข้าไปในสายขอเขชียนไปเขามีเปิดงานในกลุ่มก็เลยเข้าไปทั้งท่านที่ไม่รู้นะเมืท่ท่านบอกแนะนําว่าไปอ่วาวาดเขากงขานะท่านใด้แต่ที่อยู่เรามีตังรากขึ้นไปเลยเราบอาขึ้นไปในสายงานก็ไปทําแบบนี้แหละที่ไม่เป็นเขาก็แนะนําพอแนะนําำ พอทำได้ปุ๊บมันก็เลยอ๋อเศรษฐจังหวะตรงนี้เป็นแค่อุบายเป้าหมายจริงๆคือเราต้องการให้กายกับใจมาอยู่ด้วยกันกายสัมผัสใจรู้กายสัมผัสใจรู้พอเราทํำอย่างนี้ปุ๊บเราฝึกคนเดียวมากา่อนมันก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยเราทําเข้าใจอย่างนี้เราก็ทํามันเห็นมันโล่มงมันโปรง่มงมัสบายเวลาไปเศรษฐีจังหวะปุ๊บเนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่ในการเคลื่อนไหวแต่อาตมาไปรับรูการเคลื่อนไหวการสัมผัสไม่ได้อยู่ที่มือ เมื่อไม่ได้อยู่ที่มือปุ๊บอธรรมาพลิกมือพลิกก็ไปตามจังหวัดสิบสี่จังหวัดพลิกมือขึ้นก็รู้แต่ไวลรับรู้ความรู้สึกที่มันพลิกมันมีความรู้สึกยังไงที่มือขึ้นเมือสัมผัสทมันเป็นยังไงมันหงายขึ้นมันเป็นยังไงมันยกขึ้นมันรู้สึกที่มันสิ่งที่มันเกิดกกายที่มันจากการกาสัมผัสการที่เื่อนไว้ของกายอาตมาก็ยกขึ้นโอรู้สึกรู้สึกรู้สึกเนียพอรู้สึกปุ๊บเนี่ย มันกับโปงเบาสบายมันยิ่งมักยิ่งสนุกมันไม่ได้เครียดเลยอาตมาไปยกมือปฏิบัติไม่เคยเครียดไม่เคยปวดหัวไหลหัวไหลต้นคอไม่ตึงขนาดอาตมาทาคนเดียวไม่ตึงพอไปอยู่กับหมู่คณะอาตมาไม่ได้ตึงหัวไหลคืออาตมาเครื่อนไหวตามธรรมชาติรูปแบบสิบสีจังหวัเป็นธรรมชาติของมันเลยแต่ใจแค่ไปรับรู้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉยๆรับรู้ความรู้สึกตัวแบบสบายๆผลกระทบรู้สอดสอดแล้วพริกใหม่ก็รู้ยกมือก็รู้รู้สึกที่มันกรหยุดก็รู้กระทบท้องก็รู้ผลกระทบอกก็รู้ออกมานี่ก็หยุดก็รู้แค่ทําแล้วรู้ตามเขาว่าเขาเกิดขึ้นอย่างไ้แค่นั้นเราไม่มีข้อมูลเนี้เราก็เอาแค่รู้สึกรู้สึกรู้สึกมันก็เลยเกิดการโปร่งเบสบายแล้ก็ทำตั้งแต่นั้นมาพอทําไปในรูปแบบปุ๊บนี้ ไปเดินเดินกรมตอนเดินเดินกรมเราก็เดินแบบจัดหนายของเราเพราะว่าเราเป็นคนเร็วแต่มาเป็นคนเร็วพอเป็นคนเร็วปุ๊บนี่แต่มาเป็นคนเร็วแต่มาเขเดินเอาย่ําเอาย่ <for incomplete, S 1> ําเอาย่าเอาไปเป็นสเต็ปของแต่มาพอบังเอิญพอดีตอนนั้นที่แต่มาก็ยังไม่รู้ว่ามันถูกมุนถิดนะแต่มาก็าไปรู้ไปเหยียบเห็นปุ๊บมันเจ็บอ้ารู้สึกไปเหยียบดินมันนุ่มไปเหยียบดินเปียบมันลากไม้มัน เจ็บตรงที่มันตรงไหนที่มันมัมนเรียบมีหินก้อนหนึ่งมาอยู่ไปเหยียบปุ๊บมันก็เก็บแต่มันไปเหยียบฝ่าเท้าตรงกลางใจปุ๊บฝ่าท้างกล า, างฝ่าเท้าน่ยมันก็เจ็บตรงนี้ตรงที่มันไม่เจ็บมันก็มีแต่มันเจ็บตรงเดียมันชัดตรงนั้นก็รู้ตรงนั้นก็รู้ไปเดินไปนกระโดะดกระโดดไปตอนนั้นพอดีไปเดินจงกรงอยู่ที่อ่าใกล้ๆกับหลวงพ่อสองขามอยู่ หลวงพ่อสองครามท่านไปบุดท่านภาคีพอดีไปเดินปุ๊บพอดีมีเพื่อนกันในยานี้แบบนี้แหละเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกันเป็นคนหนุ่มท่านจะเดินก้มเกรงก้าวไปเก้าไปก็พอดีหลวงพ่อสองคมไปเห็นปุ๊บเดินเข้าไปจับแขนเดินอย่างนั้นไม่ถูกไม่ได้ไม่ใช่ต้องเดินแบบนี้เห็นไหมอบเดินแบบนั้นน่ะโยมนั้นเดินแบบนั้นเลยธรรมาได้ in, าายินธรรมาชี้ใส่มาธรรมาธรรมาก็มั่นใจว่าเออ คิดว่าเราทำถูกตอนนั้นท่านชี้ให้ว่าเนี่ยเหมือนโยมคนนั้นน่ะทําแบบนั้นน่ะเดินแบบนั้นแหละมันเพงจะถูกแบบนี้มันเพ่งไปอะไรนี้เราก็ได้ปัญญาตรงนั้นทันทีเราก็เลยทําตั้งแต่นั้นมาสิบห้าประโยชนเก็บวันนี้มันจะไม่เบื่อไหนมันโปรมันเบาสบามันไปพอเเข้าใจถูกอย่างนี้ปุ๊บระวังใจถูกจะไม่ถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรามันสบายอ่ะมันโปรมันโล่ง หัวนี้โล่งๆโปรงๆสบายจากความคิดเยอะๆมันไม่มีเมื่อมันไม่มีปุ๊บเนี่ยโอ้การเจริญสติการภาวนาแบบเราเนี่ยมันมันมีความสุขแบบนี้เหรอเราไม่เคยเจอเราก็ทำเวลาเข้ารูปแบบปุ๊บเนี่ยเราก็ทำปุ๊บปุ๊บป๊บพอปุ๊บป๊บว่าเราเป็นคนเร็วใช่หมหลวงพ่อสองคางก็บอกเออแบบนี้แหละท่านเทศพอดีวันนั้น ท่านก็บอกว่าให้ทำไปตามเขาตอนนั้นธรรมมาได้ยินญาติโยมเขาบอกอยู่ว่าเขาพากว่ากันของพ่อสงคัญเลยธรรมะโยกเย่ท่านโยกตัวนั่นท่านทำนี้ทํานาำนั่นนั่นนี้ท่านก็ตอบย้ําให้เราอีกเราก็ชิ่พอท่านเทศให้ฟังแล้วท่านก็เราก็อุ้เราก็เหมือนกับมั่นใจกับเองว่าเออวิธีการแบบนี้คงถูกต้องเราก็เวลายกมือส้างจังหวะธ่รมมาก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ แต่อา ม, มันไม่เห็นอิทการเคลื่อนไหวนะแต่ไปรับรู้ความรู้สึกที่การเคลื่อนการสัมผัสของการเคลื่อนไหวแค่อากามัรับรู้แบบสบายๆกับมันก็เลยเมันโปร่งมันเบสบายก็เลยวิธีการตรงนั้นก็เลยมั่นใจว่าเออการเจริญสติอย่างเงี้ยมันใช่มันใช่เราอะเราเข้าใจตรงนั้นเราก็ทำแล้วปัญหามันก็น้อยลงยงปัญหาในอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากใจของเราเนี่ยมันน้อยลง จากความกุ้งซัง่งเยอะๆจากติดถือคิดถึงรูปที่ถึงครอบครัวที่ถึงสิง่งที่เราเคยทําไว้แล้วกลับมาอยู่แล้วมาอยู่กับกามาอยู่กับบ้านโดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็กลับมาเป็นปัญหาไม่สบายด้วยก็ยิงคิดเยอะแทนที่จะมาอยู่บ้านอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็จะทําทมาหากินช่วยพ่อแม่เพื่อจะเลี้ยงพ่อแม่กับเมสั้นตัวเองมาสร้างปัญหาให้พ่อแม่อีกต้องพ่อแม่ต้องหมดตังค์ไปรักษาเราเอีก มันก็ไปมันก็เลยว่าแต่พอเรามายกมือซะมันหายไปเลยตั้งแต่วันนั้นไม่ได้เสียตังค์ไม่แต่บาทเดียวในการที่มันจะเป็นจะเป็นอย่างตายนั้นะก็เลยคิดว่าสายหลวงพ่เทียนทาให้เราเปลี่ยนชีวิตจากสิ่งที่เราเคยทุกเศร้ามองทุกอย่างมามันมาเปลี่ยนชีวิตเราก็เลยว่ามั่นใจว่าสายหลวงพ่เทียนวิธีการหลวงพเทียนเราเนี่ยทําให้เราคือประสบการณ์เรานะเราก็เลยมั่นใจว่าเออทําให้ เราเบากายเบาใจได้ทำให้เราเป็นอิสระได้จากความโกรธบ้างลดเบาบางลงที่เราตรดสอบอันนี้คือพูดจุดเริ่มต้นในการภาวนาแบบหลว่เาเทียนทำให้จะมามาถึงได้ถึงแบบนี้ถึงได้อยู่ได้ถึงทุกวันเนี้ยแค่เข้าใจแค่ตรง น, นั้นเองถึงอย่างท า, ามาพูดเรื่องว่าการเตริญสติแบบทำความเข้าใจให้ถูกต้อง แต่ละคนเนี่ยความควาเข้าใจความรู้สึกตัวแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันแต่เราอยู่ที่ว่าจุดไหนคือความรู้สึกตัวที่ถูกต้องจริงๆแต่อัตมาก็าอัตมาเชื่อว่าตัวนี้มันสําหรับผูกต้องุศลธรรม น, นะว่ากายสมัดใจรู้รับรู้ตรงๆแลว้วก็วางแค่เอาใจมารับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดจากกายเฉยๆ ต, ตรงๆซื่อๆแล้วก็วางเอาใหม่เอาใหม่กระทบใหม่รู้ใหม่เพื่อนรู้ กระทบรู้ว่าใหม่เสมอมันก็ทำให้เราสบายกายสบายใจเกิดขึ้นวันนี้ถึงได้มามาเป็นคอร์สหรือว่ามาเป็นโค้ดพ่ออาตมาตามาก็แล้วก็อาศัยครูบาอาจารย์เละเพราะว่าความรู้อะไรอรตาตมาก็ไม่ค่อยมีเรื่องภายนอกเรื่องอย่างอื่นๆที่จะมาพูดให้โยงเห็นเนก็คงจะลำคันหะน่อยนะถ้าพูดเรื่อง การภานะวนาจริงอาตมาจะไปพูดแต่เรื่องประสบการจะเป็นเรื่องภายนอกคือโลกภายนอกเข้ามาพอสมประสานความรู้ตรงนี้ไม่มีปริยัติไม่มีแต่จะพูดในทางเส้นทางของการเดินที่ประสบการแล้วก็จะแชร์ประสบการณ์ที่การจเจริญสติแบบยังไงที่มันจะเข้าใจจะเดินยังไงจะพา ย, ยังไงคงอย่าลำผ่านนะถ้าจะไปพูดให้ให้เลาะใหงอาตมาคงไม่เป็นเพราะ มันไม่เก่งในทางนี้ก็มีซื่อๆตร ง, ตรงเอาง่ายๆสบายทำยังไงที่เป้าหมายจริงแล้วก็คือทําแล้วเราหลุดออกจากความโกรธความโลภของโลกได้นั่นคือเป้าหมายของพวกเราที่จะเดินทางแต่ตามาคิดว่าวิธีการาเจริญสติแบบวัฏฏิของ เ, เราเนี่ยมันก็เลยคิดว่า ม, มันง่ายมันเหมาะสมด้วยสําหรับคนวัยที่มีสติน้อยไม่มี มีสติได้น้อยแล้วก็มามาทําตรงนี้พุ๊เนี่ยไม่มีสมาธิยืดคือมาทํามาเข้าใจปุ๊เนี่ยแล้วมันจะเกิดเองอ่ามันจะบอกว่าทุกวันนี้มันไม่มีไม่มีเวลาแล้วก็ศรัทธาของพวกเราก็มีอยู่ปฏิการเวลาและจิตใจของคนเราเนี่ยมันก็ไว้ทุกวันนี้เด็กเด็กทุกวันนี้มันก็ไม่เหมาะสมเนาะพราะจะไปนั่งานานๆก็ไม่ได้เดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โลกมันเปลี่ยนแปลงไป แล้วมาเจริญสติแบบบางวิชาเนี่ยมันจะเหมาะสมด้วยเพราะว่าเรา เ, เมื่อก่อนท่านก็มีเวลาแต่สมัยนี้เวลามันไล่แล้ว ก, การเป็นอยู่ของเราเนี่ยเงินทองเราก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติแบบนั้นแต่วิธีการเจริญสติกันนี้มันที่มาที่วัดเนี่ยมาแค่เอารูปแบบมาเข้าใจในรูปแบบเพื่อจะไปทำงานเป้าหมายจริงคือมาที่วัดมา เอาแนวทางนีเฉยถ้าได้เป็นปุ๊บเนี่จะไปที่ประดับจริงๆ ก, ก็อยู่ที่บ้านเราล้น เ, เพราะว่าต้องต้องมาทําตรงนี้เพื่อให้มันเคยชินจิตมันเรียนรู้แล้วก็เข้าใจแล้วก็ไปทํางานเพราะว่าไปไปทําการทํางานเพราะว่าชีวิตจริงเนี่ยคือวิปัสสนาคือชีวิตของเราคืออยู่ภายนอกแต่ใจมันมาอยู่กับการภาวนาะคือรู้สึกตัวมันจะง่ายกว่าอันนี้ชิดว่านะ มันจะเหมาะสมสําหรับคนทุกไปไปสมัยนี้เพราะว่าเวลามันไม่อยมีที่จะมาภาวนาแต่เวลาการทํางานมันเยอะการใช้ชีวิตข้างนอกมันเยอะมากกว่าแต่เราจะทํายังไงปรับตัวรู้สึกอย่างเนี้ยมาภาวนาเพื่อจะไปอยู่ทํางานได้ให้ภาวนาได้ด้วยภาวนามันไม่ได้การวิปัสสนามันก็ อ, อยู่ในชีวิตเหล่านี้แหละที่อาตมามาเข้าใจทีหลังนะว่าภาวนาวิปัสนาจริงๆมันอยู่กับการ ใช้ชีวิตของเรานี่เองตั้งแต่ตื่นเงินกันหลับนอนแล้วหลวกพ่เทียนเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้อยู่พอเราพอเข้าใจปุ๊บเข้าใจความรู้สึกตัวปุ๊บเราใช้ชีวิตเหมือนเราไม่ได้ภาวนาะแต่เราพาวนาะชีวิตเหมือนเราก็คือเหมือนกันใช้โยมตื่นมาทําอะไรบ้างแปรงล้างหน้าแป็นฟันอาบน้ําถูกบ้านทําการสิ่งเหล่านี้เป็นการ เป็นการภาวนาหมดเลยชีวิตเราหมดเลยแต่แค่ใส่ใจ แ, แค่ไปรับรู้ความรู้สึกตัวมันก็เลยไม่ได้แยกเลยว่าการปฏิบัติกับงานเป็นอันเดียวกันหมดเลยทั้งมันก็มาเข้าใจว่าชีวิตคือการภาวนาภาวนาวิปัสสนาคือชีวิตเราแล้วมันจะเป็นอันเดียวกันเลยเราไม่ได้ไปแยกอะไรเลยถ้าเราเป็นแล้ว เราจะทำงานเราจะทำอะไรเป็นการภาวานาหมดเป็นการเจริญสติหมดเพราะมันมีการเคลื่อนไหวมีการสัมผสัสอยู่เราจะทำอะไรก็ ม, มีความรู้สึกตัวอยู่ถ้าเราจับความรู้สึกตัวที่ถูกต้องได้มันจะเป็นของมันเองตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับนอนเลยมันไม่ได้แยกแยะมันไม่ได้แยกว่าต้องอยู่วัดต้องอยู่ที่ น, นั่นแต่ว่ามันอยู่ที่ใจของเราว่าจีอยู่ที่ไหนถ้าเราเข้าใจถูกพวบ เ, เราภาวนาถูกพวบ มันจะเป็นการภาวนาทั้งหมดตั้งแต่ตื่เนอนจนหนับนอนแต่ที่เข้ามาวัดก็มาหาครูบาอาจารย์การภาวนาถ้าฝันมาภาวนาที่ถูกแล้วต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้เดินก่อนเพราะว่าภาวนานี่การเดินแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ละก้าวแต่ละก้าวเนี่ยเรื่องจิตใจเนี่ยมันต้องอาศัยประสบการณ์ครูบาอาจารย์บ้างเพื่อจะมาเพราะมันเป็นหลุงผังเยอะแยะเลยการภาวนาไม่ใช่ว่าเข้าใจถูกแล้วอยู่คนเดียวไม่ใช่ ต้องอาศัยผู้เดินก่อนเขาเราติดตรงไหนเราแก้ตรงไหนช่วงระยะเวลาตั้งแต่ตื่นอาการของรูปนามเป็นยังไงรูปนามเนี่ตั้งแต่รู้สึกว่ารูปนามเป็นยังไงอารมณ์แตกต่างกันเนีแก้ไขยังไงสิ่งเนี้มันมันเจอแน่ๆถ้าวางใจถูกเราจะแก้ไขมันเป็นยังไงผ่านแต่ละผ่านแต่ละอารมณ์อารมณ์อารมณ์ไปเนี่มันไม่ใช่ง่ายแต่การอารมณ์ที่สัมผัสได้โปร่งโล่งบสบายหรือว่าการสัมผัสอารมณ์ ใหม่ๆ ม, มันได้กันทุกคนแ น, น, น่แต่เวลาพอเราได้ปุ๊บเนี่ยเราจะเดินยังไงที่มันจะเข้าแล้วมันจะมีอุปสรรคในการเดินการภาวนาแต่ละจุดแต่ละจุดแต่ถ้ากําลังพรเพียรเราน้อยไม่มีภูปาจรย์ชี้เราก็ไปไม่ถูกเพราะเราสิ่งที่ว่าพระเจ้าว่าถ้าตรงนี้มันก็อย่างที่ใจของเราไม่เคยไม่เคยสัมผัสเลยว่าอย่างที่เรามันอยู่บ้านเนาะ อ, อยู่บ้านไม่ได้ทําเนี่ย มีแต่ความมุดไว้ความผู้สร้างลำคานแต่พอตอนนีม้ามาพอมายกมือสร้างอั่างแบบเข้าใจมันโปรูก ม, มันเล่ามันโปรูกมันลุ่มาบาสบายจะให้บาขึ้นเขาคิดว่าแค่นี้มันมันจบแล้วเนี่ยแต่มันพุทธเจ้านยังส่งว่ามันยังมีอยู่อีกนะเดินไปเรื่อยก็มีไปเรื่อยอุปสรรคเรื่อยจนกว่าถึงมรรคผลนิพพานแม้แต่เมื่อท่นถึงมรรคผลนิพพานอยาเข้าถึงมรรคมันยังมีอุปสรรคไวจะผ่านมันไปได้มันมีลุ่มพังเยอะแยะมันก็ต้อง ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ทำไมต้องมีครูบาอาจารย์เป็นผู้นําเป็นผู้อยู่แต่พอนําไปบุกถ้ามันติดข้องก็เขาก็เข้ากลับมาวัดมาหาครูบาอาจารย์สอบถามอย่าไปมั่นใจตัวเองมากตัวเองเข้าถึงแล้วก็รู้ผลได้มันยากอยู่อาจจะมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองต้องอาศัยครูบาอาจารย์เยอะเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะมั่นใจว่าใช่แล้วก็ทําอย่างเดียวไม่ใช่ทําก็ ทำแล้วได้ยังไงก็บอกคุยกับอาจารย์ครูบาาจารย์ถามวรูาอาจารย์บอกครูบาอาจารย์ครูอาจารย์ก็บอกเออใช่ไม่ใช่ถ้าติดตรงนี้นะแก้ให้ตรงนี้นะรนนะเราก็จะได้ไปได้เร็วนะอันนี้การในเข้าคอร์ดตรงเนี้ยอาจจะมาแค่ว่าจะเป็นพ่งนี้เช้านะวันนี้ก็คือวงจะมีกิจกรรมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เหลือถ้ายังไม่ได้ทำกิจกรรมเราก็จะมีลานเดิน ด, ดึงผมสร้างแกหวไปเรื่อยๆทําแบบปกติ อาจจะมีการเดินอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะมาให้คนไหนคนใหม่ก็จะพูดอีกว่าแยกคนใหม่คนเก่าคนเก่ารู้แล้วก็เพิ่มเติมีนทางไม่ต้องไปคุยกันอะไรมากแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอกไม่ต้องไปเทนมากแล้วเพราะว่าโยมฟังเยอะมีแต่คนเก่าๆทั้งนั้นมีแต่ภูมิรู้ทั้งนั้นแต่ว่าเดยอะการกระทํามคิดว่าจะเป็นการกระทํามากแล้วก็จะไปถามรายตัวอถ้าเดินยังงไปแล้วลดตัวไปเอาประกบเพื่อจะได้ประโยชน์ให้สูงส อาจจะมีครูบ า, า, า, บาอาจารย์ท่นมหาเชนบ้างอาจารย์พูกบ้างแรงบ้างให้ถ้าท่านมีเวลาอยู่ด้วยถึงจบคอร์สก็จะช่วยกันไม่ใช่ของอาตมาอาตมาแค่ทําเป็นหน้าที่ว่าเออเป็นคอร์สอาตมาเฉยๆแต่ความจริงแล้วของผู้ร่วคนของครูคคบาอาจารย์ทุกรูปนั่นแหละเป้าหมายของพวกเราไม่ใช่ว่าจะเด่นดีอะไรก็ช่วยกันที่จะให้เข้าถึงตรงนี้ได้ใครมีอะไรแชร์กันให้กันด้วยกันเพื่อว่าติดตรงไหน เราะตรงไหนบางทีอารมณ์กรรมาแต่ละคนมันไม่มีเหมือนมันไม่เหมือนกันแต่ละคนเข้าเหมือนกับโยงเข้าดูเสาต้นเนี้อาจารมาเห็นด้านนี้ด้านข้างหลังนู้นอาจมาก็ไม่เห็นบางทีอัจมาเข้าด้านนี้เห็นเสาด้านนี้บางทีอาจารย์ครูบาอาจารย์เห็นด้านฝั่งคล้ายบ้างฝั่งขวาบ้างแล้วถ้าต่างคนต่างมาเชรให้กันด้วยกันแล้วมันก็จะเห็นเสาทั้งต้นจะรู้ว่าเสาทั้งต้นมัน มีอะไรบ้างมีตำแหน่งตรงไหนบ้างอะไรบ้างอย่างนี้เนาะก็อาตมาก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีแค่นี้แหละเนาะ